ทำทานให้ดีจําเป็นต้องรู้ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับหรือไม่ถามทําทานจําเป็นต้องรู้หรือไม่ว่าผลประโยชน์ของทานเกิดขึ้นกับใครแค่ไหนอย่างเช่นถ้าใครสักคนถวายตู้พระไตรปิฎกให้กับวัดโดยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกมาก่อนเลยรวมทั้งไม่ทราบด้วยว่า พระไตรปิฎกคือการรวบรวมข้อมูลสำคัญทางพุทธเอาไว้แต่มีคนแนะนำให้ถวายวัดเพื่อเป็นการสร้างบารมีกรณีทํานองนี้เขาจะได้รับผลบุญใหญ่ในฐานะผู้ถวายพระไตรปิฎกแด่พระพิสุสงฆ์ไหมครับตอบ การทำทานในแต่ละครั้งมีองค์ประกอบต่างๆอยู่มากอย่างไรก็ตามเพื่อให้คำตอบฟังง่ายผมจะแยกยะเพียงสองสามปัจจัยคือหนึ่งเจตนาในกรณีนี้มีการตั้งใจถวายของแดบราภิกษุสง์เกิดขึ้นแต่เป็นเจตนาที่เกิดจากการถูกชักชวนมิใช่เจตนาที่เกิดจากการริเริ่มเอง อย่างนี้จัดเป็นเจตนาที่มีกําลังอ่อนซึ่งก็ต้องวัดกันอีกว่าเจตนาที่มีกําลังอ่อนในเบื้องแรกนั้นมาเสริมความแกร่งด้วยศรัทธาปสาทะหรือความมีปีติยินดีในการถวายเพียงใดหลังจากถวายจริงเสร็จสิ้นแล้วแต่อย่างไรการให้ก็คือการให้จัดเป็นบุญเป็นกรรมขาว เป็นสเสบียงอันไกลๆจะขโมยไปไม่ได้แล้วสองวัตถุในกรณีนี้วัตถุมีความสว่างอยู่ในตัวเองเพราะพระจะรู้ว่าต้องทำอะไรหรือต้องไม่ทำอะไรตามกฎที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็จากพระไตรปิฎกพระจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็จากพระไตรปิฎกอีกเช่นกัน หากโลกนี้ไม่มีพระไตรปิฎกก็เท่ากับไม่มีการสืบทอดพุทธศาสนาอีกต่อไปแม้จะเห็นคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็จะไม่มีการปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามพุทธประสงค์เพราะฉะนั้นแม้ผู้ถวายพระไตรปิฎกจะไม่รู้ค่าของพระไตรปิฎกอย่างไรก็ชื่อได้ว่านำความสว่างเข้าวัดหรืออีกนายหนึ่ง นำสิ่งจำเป็นสูงสุดในการสืบทอดพระศาสนาเข้าวัดเปรียบเสมือนคนตาบอดแต่กำเนิดไม่ทราบว่าตนนำไฟฉายไปบริจาคแล้วจะมีผลกับคนตาดีอย่างไรเขาก็ได้ชื่อว่าเอาเครื่องส่องทางไปทำทานแล้วสผู้รับในกรณีนี้ ูรับอยู่ในฐานะของกลุ่มบุคคลที่พึงมีพึงรักษาพระไตรปิฎกไว้เนื่องจากนุ่งเหลืองห่มเหลืองและตกลงไว้ว่าจะบวชเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งโดยประพฤติปฏิบัติตนตามที่พระศาสดาตีกรอบเอาไว้ฉะนั้นการทำทานจึงจัดว่าถูกฝาถูกตัวโดยไม่ต้องคำนึงว่าพระจะใช้ประโยชน์จากพระไตรปิฎกกันหรือเปล่า เราเอาแค่ความจริงที่ว่าให้แก่ผู้ควรรับถูกตัวแล้วเท่านั้นพอสรุปคือในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสร้างแนวโน้มความสว่างอย่างใหญ่ขึ้นมาผลที่จะเกิดขึ้นย่อมอยู่ในรูปของแนวโน้มแห่งความสว่างอย่างใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ตามหากกาลังใจในการถวายเป็นไปนแบบอ่อ น, ออน ถวายไปงั้นๆไม่ได้นึกเลื่อมใสพระไม่ได้เห็นคุณค่าของพระไตรปิฎกแต่อย่างใดเช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นย่อมส่งแรงแบบงั้นงัเช่นกันโดยมากจิตของคนที่ไม่รู้จักพระไตรปิฎกอย่างท่องแท้จะคิดถึงพระไตรปิฎกโดยความเป็นหนังสือเป็นตำราหรือเป็นขุมความรู้ตู้หนึ่ง เมื่อคิดเช่นนั้นแม้แต่นิดเดียวย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้บริจาคคุมความรู้และเมื่อได้ชื่อว่าให้คุมความรู้ผลที่เกิดขึ้นในชาติถัดไปคือได้เป็นผู้มีปัญญาเทว่าเนื่องจากไม่มีความเลื่อมใสแก่กล้าขณะถวายพระไตรปิฎกปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์และเมื่อไม่เล่งเห็นประโยชน์ของพระไตรปิฎก ก็ยอมไม่ก่อให้เกิดแนวโน้มของการใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยนี่แหละครับความเข้าใจในช่วงขณะจิตแห่งการทำทานมีความสำคัญและจะเป็นตัวกาหนดว่าผลของทานจะเป็นอย่างไรแค่เห็นวิธีทำบุญของแต่ละคนแทบบอกได้เลยว่าเขาจะมีความเป็นเช่นไรในการต่อไปบทสรุป คือจะให้อะไรกับใครควรเข้าใจประโยชน์ที่มีต่อผู้รับเสียก่อนเพื่อให้มีน้ำใจคิดอนุเคราะห์อย่างแท้จริงและเมื่อมีแก่ใจให้ไปโดยหวังประโยชน์ต่อผู้รับจริงๆธรรมชาติของจิตยอมเบิกบานสว่างสดชื่นสมณัตเต็มรอบนั่นเองจะรู้จักรสชาติอันเป็นปัจจุบันของการให้ทานครับ